คำว่าสิ่งอะไรเป็นปีรูปคือเป็นที่รักเป็นที่พอใจในโลกเนี่ยนะปีรูปคือว่าเป็นที่รักสาตรูปเป็นที่น่ายินดีอันที่รักที่น่ายินดีเป็นที่รักเป็นที่พอใจในโลกอะไรบ้างล่ะเนี่ยนะก็ตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยเป็นที่รักเป็นที่ยินดีในโลกก็ในการลืมตาดูเนี่ยนะถามว่าทั้งหมดเลยเนี่ยที่เราพอใจที่สุดที่เราติดที่สุดนะ ถ้าดูสวนนะสวนมันจะเสียหายกับตาเสียหายอันไหนดีกันขอตาไว้ก่อนใช่ไหมไ อ, อ่า น, นะฟังเสียงแล้วเครื่องเสียงพังกับหูพังนี่เอาอันไหนไว้ก่อน <c oughs> เอาหูไว้ก่อนใช่ไหมดมกลิ่นแล้วนะนักขวดน้ําหอมแตกแล้วนะน้ําหอมเสียหายกับจมูกเสีย <c oughs> เอาไหนเอาจมูกไว้ก่อนนะนะอื <c oughs> อาหารจะคว่ำทิ้งหรือลิ้นไว้ก็ยังดีรักลิ้นมากเลยร้อนบ้างเย็นบ้านก็ช่างให้มีร่างกายต่อไปเนี่ยนะ เรื่องนั้นเราจะไม่ได้รู้ก็ช่างให้มีใจต่อไปหันจะตาหูจมูกเล่นกายเนี่ยถือว่าเป็นที่รักเป็นที่พอใจในโลกโลกคือชีวิตเราเนี่ยนะถ้าไล่ไปแล้วเนี่ยนี่เราพอใจที่สุดแต่ก็มีบางพวกยินดีในรู้พอมีตาก็เพื่ออะไรก็เพื่อดูสีนั่นแหละเนี่ย มีหูก็เพื่อฟังเสียงมีจมูกก็เพื่อรู้กลิ่นมีลิ้นก็เพื่อรู้รสมีโพธาภะมีกายก็เพื่อรู้โพธาภะมีใจก็เพื่อรู้ธรรมารมณ์เนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้ามีตาหูจมูกลิ้นกายใจยเสร็จเรียบร้อยเนี่ยนะอารมณ์หก็ต้องการตามมาะนะเมื่อมีตาไปอยู่ไม่สุญยากาศเนี่ยนะไม่เห็นอะไรสักอย่างอนะไปอยู่อวกาศเลยเอะส่องไปนี่เห็นแต่โล่งๆอะนะเห็นอยู่สีเดียวอย่างเงี้ยนะก็ไม่น่าพอใจใช่ไหมถ้ามีตาแล้วก็ปรารถนาสีแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นปีรูปสาตรูป ตามมารองกว่าตาหูจมูกเลนกายใจก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโพธพพะและธรรมรมทีนี้นะมีเมื่อมีรูปเสียงกลิ่นรสโพธิภะธรรมรมเสร็จแล้วก็อยากเห็นะนะเมื่อมีตามีสีก็อยากเห็นมีหูมีเสียงก็อยากได้ยินะนะคือเสียงเนี่ยมีอยู่ใช่ไหหูมีอยู่เสียงมีอยู่แต่บางทีไม่ได้ยินใช่ไหก็เปิดซะหน่อยเพื่อเปิดฟังเป็นต้นเนี่ยนะทีก็มีจมูกจมูกเรามีอะ่ะ กลิ่นน้าหอมในขวดมีก็เปิดให้มาได้กลิ่นซะหน่อยอย่างนั้นพันจักขูวิญญาณโสตวิญญาณคาณาวิญ ญ, ญาณชิวหาวิญญาณกายาวิญญาณมโนวิญญาณเนี่ยจึงเป็นปิยรูปสารรูปในโลกคือเป็นสภาวะที่น่าปรารถนาหน้าพอใจในโลกในทางการการเข้าไปสเสวยเนี่ยนะการเข้าไปรับรู้เนี่ยถือว่าหน้าพอใจมาก จะขูสัมผัสโสตาสัมผัสคณะสัมผัสชิวหาสัมผัสกายะสัมผัสมโนสัมผัสเป็นปยรูปสาตรูปในโลกนะการรับสัมผัสนะอืออย่างเช่นชั่วโมงสัมผัสอาหารเลยนะอาหารต้องสีกําลังสวยเลยนะเคี้ยวดังกรอบกลิ่นหอมรสก็อร่อยอุ่นๆพอดีเนี่ยนะอันนี้รสอะไรนะโอชาวิตามินชั้นเยี่ยมเนี่ยนะหวากลื่นเสร็จสับเบ็ดเสร็จเนี่ยนะเพราะในการรับผกระทบสัมผัสเนี่ย ถือว่าน่าพอใจมากมันก็รูปประสัญญาคันเอ่อต่อไปจากขู่สัมผัสชาเวทนาโสตสัมผัสชาเวทนาขานัสัมผัสชาเวทนาชิวหาสัมผัสชาเวทนากายสัมผัสชาเวทนามโนสัมผัสชาเวทนาเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกะนะเวทนาที่เกิดจากสัมผัสทั้งหนี่ก็น่าพอใจใช่ไหมพอสัมผัสแล้วได้สุขเวทนานี่ก็ยิ้มะนะนี ถ้าสัมผัสและทุกขเวทนายก็เดือดร้อนต้องการไปสแสวงหาความสุขแผนรูปปสัญญาสัตทธสัญญาคันธสัญญารสสัญญาโพธภาพสัญญาธรรมสัญญาเป็นปีรูปสาตรูปในโลกะนะนั่นนก็ทรงจำอารมณ์อ่ะนะทรงจำใช่ไหมเคยเห็นสีสวยเคยได้ฟังเสียงเพราะเคยรับกลิ่นหอมหอมก็ละลึกถึงเนี่ยรูปเสียงกลิ่นสัญญาที่ในรูปเสียงกลิ่นรสโพธภาษและธรมรมอารมณ์ นี่ก็เจตนาก็เกิดขึ้นนะนะรูปสรรเจตนา ส, าสัทธสรรเจตนาคันทะสรรเจตนารสะสรรเจตนาโพธภาษสรรเจตนาธรรมะสรรเจตนาเป็นที่รักเป็นที่พอใจในโลกนั่นนะเป็นปิยรูปสาธรูปก็ความจงใจนะจงใจในรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยจงใจด้วยกายกรรมเมจีกรรมมโนกรรมต่ออารมณ์นั้นนะนะเช่นพูดถึงอารมณ์นั้นนะพูดถึงอารมณ์นั้นนะมีพฤติกรรมต่ออารมณ์นั้นคี้ถึงอารมณนะนะ์มณนั้นด้วยเจตนาเนี่ยนะ อันนั้นแล้ก็ทํากรรมในอารมณ์และหรือรูปปัตนหาสาธตันหาคันธตันหาราสาตันหาโพธะพะตันหาธรรมะตันหาเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกอันตันหา6นี่ก็ถือว่าตัวตันหาเนี่ยน่าพอใจบางคนน่ะตันหาไม่ค่อยเกิดนี่อยู่ไม่ค่อยเป็นสุขเลยนะมันต้องตันหากร่มตลอดเวลาเนี่ยนะเพลิ้นด้วยอำนาจตันหาแล้วมีความสุขอันตัวตันหาเนี่ยก็ถือว่าแหมเป็นที่ที่ที่น่าพอใจมากนะ หรือความตรึกนะนะวิตกรูปปวิตกสัทธาวิตกขันธาวิตกรส า, าวิตกโพธภาพวิตกธรรมวิตกเป็นปิยรูปสาธรูปในโลกนะนะกันสมนึกว่ากินน้ําชาชมจันเนี่ยนะก็ตรึกไปเรื่อยในชะ่ไหมอยู่ในโลกแห่งความเพอ้อฝันทั้งหลายแลนะเนี่ยพวกนี้ก็นักคิดนะนะตรึกตรึกแต่ว่าโดยโดยมากกา็กุศลวิตกนะนะแต่ตรึกในกุศ ล, ลวิตกก็น่าพอใจในโลกนะถือว่าเป็นสภาวะที่น่าพอใจมากคิดเป็นกุศลได้เอา คำว่าปียรูปสาตารูปเนี่ยไม่ใช่เฉพาะแต่อากุศลหรืออภยกรตะอย่างเดียวนั้นรวมทั้งกุศลด้วยนั้นรูปปวิตกเป็นต้นเนี่ยนะจนถึงธรรมวิตกดีไม่ดีเป็นฌานาจิตใยซ้าไปหมายถึงในองค์ฌานด้วย อ, องฌานเนี่ยนะองฌานนี่ก็น่าพอใจในโลกนะหรือรูปปวิจารสัท ธ, ธวิจารกันทวิจารราสวิจารโพธภาพวิจารธรรมวิจารเป็นปียรูปสาตรูปในโลกเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าปียรูปทั้งหลา ย, ยานั่นคือ สภาวะที่น่าพอใจทั้งหลายสภาวะที่น่ารักทั้งหลายถ้าว่าไปก็แบ่งออกเป็น60อินะนะคืออายตนะภายใน6อายตนะภายนอก6วิญญาณ6ภาษาหกเวทนา6สัญญา6เจตนา6ตันหา6วิตก6วิจารณ์6กเนี่ยนะก็6คูณเออคือว่า10องค์ธรรม10นะคูณ6 6ทวารก็ได้60 ความพอใจในกามความกำหนัดในกามความเพลินในกามตัณหาในกามความสเสน e หาย่ยางเหนียวในกามความเร่าร้อนเพราะกามความหลงในกามความชอบใจในกามในกามทั้งหลายกามโอคะกามโยคะกามกามุปาทานกามฉันทะนิวอนชื่อว่าฉันทราคะ คำว่าเป็นที่บรรเทาฉันทราคะก็คือเป็นที่ละฉันทราคะเป็นที่สงบฉันทราคะเป็นที่สละเกินฉันทราคะเป็นที่ระงับฉันทราคะเป็นอมตะนิพานฉะนั้นเรียกว่าเป็นที่บรรเทาฉันทราคะเพราะฉะนั้นบทนิพานที่ไม่เคลื่อนเนี่ยนะบทนี่แหละบทคือบทนิพานบทนิพานเนี่ยเป็นบทที่ต้านทานเป็นบทที่เร้นเป็นบทที่ยึดนืองเป็นบทที่ไม่มีภัย นิพพานเนี่ยไม่เคลื่อนคือเที่ยงยั่งยืนมั่นคงเป็นธรรมะไม่แปรปรวนเพราะเป็นอสังกตาธาตุก็เที่ยงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นดูก่อนเหนมากะบทนิพพานเนี่ยเป็นบทที่ไม่เคลื่อนนีนีนิพพานที่ไม่เคลื่อนอันนี้แหละเป็นที่บรรเทาฉันทราคะในปียรูปสาตรูปทั้งหลายทั้งที่ได้เห็นที่ได้ยินที่ได้ทราบที่ได้รู้แจ้งเนี่ยอันถือว่า ถ้าไม่เห็นพระนิพพานอันเป็นอสังกตธาตุเป็นที่บรรเทาฉันทราคานะเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะละตัณหาในอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยนะไม่ไม่ใช่ง่ายหรอกต่อเมื่อเห็นอสังกตธรรมคือพระนิพพานเป็นที่ต้านทานเป็นที่เร้นเป็นที่ยึดน่วงเป็นที่ไม่มีภัยจริงๆนั่นแหละจึงจะกำจัดฉันทราคะได้ในปิยรูปสาธรูปพระอรหันตตขีนาศเราใดรู้ทั่วถึงบทนิพพานนั้นแล้ว นี่ผ่านนั้นน่ะนะเป็นอารมณ์ของพระพระอรหันต์ท่านพานันระอรหันต์เนี่ยเป็นผู้มีสติมีธรรมะอันเห็นแล้วคืออริยสัจเนี่ยท่านเห็นแล้วท่านดับแล้วดับกิเลส ท, ทั้งหลายเนี่ยนะพระอรหันต์ตะคีณาศพเหล่านั้นนะ่ะเป็นผู้เข้าไปสงบแล้วทุกสมัยเป็นผู้ข้ามแล้วซึ่งตันหาอันซ่านไปในอารมณ์ต่างๆในโลกนี่นะ คำว่าเอตังเนี่ยนะเป็นชื่อของอมตะนิพานความสงบสังขารทั้งปวงความสละคืนอุปธิทั้งปวงความสิ้นตัญหาความคลายกำหนัดความดับความออกจากตัญหาเป็นเครื่องร้อยรับคำว่าผ่าหันเนี่ยท่านรู้ทั่วนะ พาหานันรู้ทั่วบทคือนิพานก่อนที่ท่านจะรู้บทนิพานคือท่านรู้อริยสัจก่อนรู้ว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาปฏิจจส ม, มุปบาทอนุโลมปฏิโลมตรัสรู้อริยสัจนะประมวลรู้อาสวะเหตุเกิดความดับข้อปฏิบัติให้ถึงความดับอาสวะรู้อภิเหตุเกิดความดับอส า, าธาอาธีนวานิสรณะของอุปาทานขันห้ามหาภูตรูปสี่ภาษายตนาห นะรู้ว่าพินญยธรรมปรินญยธรรมปรหาตปธรรมภาเวตปธรรมสัจจิกาตประธรรมนะจนถึงรู้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลล้วนแต่มีความดับไปเป็นธรรมดาอันะ า, ารหันเนี่ยท่านรู้อริยสัจเนี่ยนะเห็นพระนิพพานเพราะตรัสรู้อริยสัจดังเนี้ยท่านเป็นผู้มีสติ คือมีสติเจริญสติปัฏฐานพิจารณาเห็นกายในกายมีสติเจริญผิดสติปัฏฐานคือพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนามีสติเจริญสติปัฏฐานคือพี่เจรณาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมเป็นต้นเนี่ยนะเรียกว่าเป็นผู้มีสติเพราะฉะนั้นท่านเนี่ยเป็นผู้มีธรรมอันเห็นแล้วคือมีธรรมอันเห็นแล้วเห็นอะไรก็คือเห็นสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาเนี่ยนะตรัสรู้อริยสัจ จนถึงรู้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาคือสังคตธรรมทั้งหลายเนี่ยที่เกิดขึ้นมีปัจจัยปรุงแต่งเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลร้ว่าแต่มีความดับไปเป็นธรรมดาคือถ้าบรรลุอสังคตะธรรมเนี่ยนะสังคตะธรรมเหล่านั้นก็มีอันดับไปเป็นธรรมดาคือไม่ก่อร่างสร้างสมต่อไปอันภารหันเนี่ยเป็นผู้ดับแล้ว ชื่อว่าดับแล้วก็เพราะเป็นผู้ยังราคาโทสะโมหะความโกรธความผูกโกรธความฤษยาความตรนีเป็นต้นนะนะตลอดจนถึงอากุสลาพิสังขารเนี่ยให้ดับจึงเรียกว่าผู้ดับอันคำว่าดับนี่ก็คือดับบาปดับอากุศลดับสมุทัยสัต์ดับกิเลสดับกรรมทั้งหมดนั่นเองคำว่าเข้าไปสงบเนี่ยนะก็คือเข้าไปสงบแล้วสงบแล้วเข้าไปสงบแล้ว เข้าไปสงบวิเศษดับแล้วระ ง, งับแล้วเพราะความที่ราคะโทสะโมหะความโกรธความผูกโกรธนะริสยาตรณีเป็นต้นเนี่ยจนถึงอากุศลาภิสังขารเนี่ยเป็นธรรมชาติสงบแล้วถึงความสงบแล้วไม่แล้วดับแล้วปราดไปแล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเรียกว่าเป็นผู้เข้าไปสงบทาง่าพระอรหันต์เนี่ยท่านสงบบาปสงบอกุศลเหล่านั้นได้จริงๆทีนี้อาการสงบบาปอากุศลของท่านเนี่ยท่านสงบได้ทุกสมัยไม่ใช่สงบเป็น ครั้งคราวเนี่ยนะอย่างปุถุชนทั้งหลายถ้าเจริญกุศลก็สงบกิเลสเป็นครั้งคราวในขณะที่กุศลแ ล, ละจิตเกิดแต่พระอรหันเนี่ยเป็นผู้สงบสงบอย่างนี้ทุกสมัยคือทุกเมื่อนะในการทั้งปวงสิ้นการทั้งปวงสิ้นการเป็นนิจการยั่งยืนเนืองเนืองติดต่อไม่เจือกับเหตุอื่นสืบต่อโดยลําดับเหมือนระลอกนะมิได้มีเอ่อมิได้ว่างสืบต่อไม่ขาซ้ายกาละมีประโยชน์กาละที่ถูกต้อง พระอรหันาหาเนี่ยท่านไม่มีกิเลสไม่ว่าจะเป็นการปูเรพัดหลังพัฒเนี่ยนะก่อนอาหารหลังอาหารยามต้ น, ย า, ตนยามกลางยามหลังข้างขึ้นข้างแรงฤดูหนาวฤดูร้อนฤดูฝนไวัยต้นไวัยกลางไวัยหลังเพราะฉะนั้นพระอาหารหันตะขีนาศเนี่ยเป็นผู้เข้าไปสงบแล้วทุกสมัยอันท่าบรลลูเป็นพระอาหารหันตั้งอายุ7ขวบเนี่ยนะชีวิตหลังจากนั้นไม่มีกิเลสอีกจนกว่าจะจุติจิตพระอาหารหัน์เกิดนั่นแหละนะสงบจริงๆนะสงบตลอดการเวลา นะเพราะว่าเป็นผู้ที่แทงตลอดพระนิพพานดังกล่าวไปเนี่ยจะข้ามข้ามตันหาคือเป็นผู้ข้ามแล้วข้ามขึ้นข้ามพ้นก้าวล่วงก้าวพ้นก้าวล่วงซึ่งตันหาอันซ่านไปในอารมณ์ต่างๆในโลกไม่ว่าจะเป็นอบายโลกมนุษยโลกเทวโลกขันธาตุอายตนะโลกท่า น, นสรุปว่าพระอรหันตขีนาศพเหล่าใดาเนี่ยรู้ทั่วถึงบทนิพพานนั้นท่า น, นผู้ที่รู้ทึกรู้ทั่วถึง รู้คือรู้อริยสัจแทงตลอดพระนิพพานนั่งเนี่ยนะเป็นผู้มีสติมีธรรมะอันเห็นแล้วคือเห็นอริยสัจเรียบร้อยแล้วนะดับสมุทยัยสั์ดับบาปอากุศลแล้วพระอรหันตขีณาศพเหล่านะั้นนะเป็นผู้เข้าไปสงบสมุทยัยสงบบาปอากุศลเนี่ยนะทุกสมัยเป็นผู้ข้ามแล้วซึ่งตันหาอันซ่านไปในอารมณ์ต่างๆในโลกนั่นนะผู้ที่ข้ามพ้นจริงๆเนะี่ยเป็นอย่างนี้พอฟังจบเนี่ยนะ เฮมะกะมานพ บ, บเนี่ยบรรลุเป็นผ้าอาหารหันพร้อมด้วยบริษัทพันหนึ่งส่วนเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายที่สั่งสมบุญอัธยาศัยมาด้วยกันก็บรรลุธรรมจักสุคือมรรคเบื้องล่าง